ข้อความในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยนะก็ถือว่าเข้ามาถึงช่วงที่สําคัญคําว่าสําคัญเนี่ยนะก็เพราะว่าเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการปรินิพานของพระพุทธเจ้าข้อความที่จะกล่าวต่อไปนั้นเป็นข้อความเกี่ยวกับการที่พระองค์จะปรินิพานพระพระน น, นนะท่านก็รู้ว่า พระพุทธเจ้าอย่างไรเสรียจะต้องดับขันทัปรินิพานทึ่งท่านก็ได้อ้อนวอนแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็ตรัสว่าการที่เธอไม่อ้อนวอนตั้งสิหครั้งที่เปิดโอกาสให้แสดงโอภาษที่หยาบแสดงนิมิต ท, ที่หยาบเครื่องหมายที่หยาบว่าเธอน่าจะรับรู้ได้แต่เธอก็ไม่ไม่รับรู้ไม่สามารถจะรู้เท่าทันมาบัดนี้เนี่ยนะมาอ้อนวอนมาวิยงวอน เพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเธอแต่ผู้เดียวีตรงนั้นเนี่ยนะก็พระนอนี่ก็สร้างความโศกสมมติถ้าความโศกมีรอยเปอร์ซนต่ น, นนะพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเช่นนั้นก็หายโศกไป 50% เปอร์เซ็ตเพราะเราพลาดเองเนี่ยนะไม่ใช่พระองค์พลาดเลยการกระทํอันนี้ตำหนิพระพุทธเจ้าไม่ได้โดยส่วนเดียวว่าพระองค์ขาดเมตตาขาดการุณา แต่จริงๆแล้วเพราะความไม่ฉลาดของเราเองฉะนั้นพระนนจะไ ม, ไม่ไม่อย่างอื่นอีกเลยสังเกตดูคืออย่างที่กล่าวแล้วว่าคนเนี่ยอยอมรับความผิดของตัวเองได้ฉะนั้นความผิดของตัวเองนั้นจะให้อภัยได้เสมอฉะนั้นพระนนนั้นท่านจึงไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรอีกต่อไปเนี่ยนะขณะเดียวกันก็พระนนก็ไม่ได้หายโศกไปซะทีเดียวพระองค์ก็ได้ตรัสบอกความเป็นจริงให้พระนนทราบซึ่งความ ความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายว่าอ น, อนนนเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆคือในที่สุดเนี่ยนะมันไม่คงเดิมรอกเนี่ยนะในที่สุดสังขารทั้งหลายก็ต้องแปรไปอย่างไรเสียจะต้องพลัดพรากอย่างไรเสียสังขารทั้งหลายก็จะต้องเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นความละเวนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก การละเว้นหรือการพลาดพลาจากสิ่งที่เราชอบใจการละเว้นการพลาดพลาจากบุคคลที่เรารักการละเว้นการพลาดพลาจากสิ่งที่เราชอบใจทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นจะหาได้ว่าอย่าได้เว้นเลยนะอย่าได้จากกันเลยนะอย่าได้พลาดพลาเลยนะจะหาได้จากเรื่องราวทั้งหมดเหล่านั้นได้จากที่ไหนเพราะอะไรก็ตามเธอ ที่เกิดขึ้นแล้วที่ปรุงแต่งขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแตกทาลายเป็นธรรมดานะก็อย่างว่าภาชนะดินเนี่ยยังไงมันก็ต้องแตกทาลายเป็นธรรมดามาเพราะนั้นการที่สิ่งที่มีความแตกทาลายเป็นธรรมดาเราจะไปอ้อนวอนว่าขอสิ่งนั้นอย่าทาลายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะสังขารทั้งหลายมีความแตกทาลายเป็น สุดเปรียบเหมือนชีวิตมีความตายเป็นที่สุดซึ่งคำอธิบายเพิ่มเติมพิเศษในหน้า402สองว่าปิเยหิมนาเปหิความเป็นต่า ง, างคือโดยชาติความละเว้นเพราะมรณะคือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่ที่ชาติคือความเกิดที่สุดละเมื่อมีชาติ อย่างไรเสียจะต้องแบบอย่ามีชรามรณะเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าที่สุดของชาติก็คือความตายเนี่ยนะที่สุดของความเกิดก็คือความตายเพราะฉะนั้นในที่สุดมันจะต้องเป็นอย่างอื่นแน่นอนพฉะนั้นจึงมีการจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งจึงต้องมีการพลัดพรากไม่ว่าจะต้องจากพ่อแม่จากลูกลูกจากพ่อแม่บิดา จากลูกลูกจากบิดาเนี่ยนะหรือว่าพี่ชายพี่หญิงเป็นต้นอย่างไรเสียก็จะต้องมีความพลาดพลากเป็นธรรมดาเพราะว่า น, นะความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเรียกว่าธรรมนิยามมันเป็นสิ่งที่แน่นอนซึ่งใครปฏิเสธได้ไหมก็อย่างที่กล่าวไปว่าเหมือนดวงอาทิตย์ที่มันสว่างใหญ่ขนาดนี้ใครจะคิดว่ามันมืดได้เนี่ยนะเมื่อตอนกลางวันที่แสงสว่างจ้าตกมากลางคืนก็ ดับไปชั้นใดพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงพระคุณยิ่งใหญ่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็ยังต้องแตกทําลายสังขารทั้งหลายก็แตกทําลายเป็นธรรมดาแตกทําลายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจะจะตั้งความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอยากแตกทําลายขอเราอย่าได้พลัดพรากจากสิ่งนั้นเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปไม่ได้เพราะจะต้องพลัดพรากจากสัต และจากสังขารอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจทั้งสิน้นนะจากศัตว์คำว่าสัตว์ก็คือของที่คนที่เรารักนั่นเองอย่างไรเสียเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักอย่างเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาถ้าไม่จากเป็นมันก็จากตายในที่สุดมันก็จากตายเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละหรือแม้กระทั่งสังขารทั้งหลายสังขารก็หมายว่าข้าวของเครื่องใช้เป็นต้นเนี่ยนะ ที่เรารักที่เราพอใจสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็มีอันต้องต้องพลัดพรากจากเพราะสิ่งสังขารเหล่านั้นนะเหมือนเรารักแจกันอันใดที่ที่สุดเนี่ยรักแจกันนั้นมากแต่ว่าแจกันมันแตกเป็นเนี่ยนะถามว่าจะไม่ให้แจกันมันแตกเป็นไปได้ไหมในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีความแตกทำลายโดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นบาเพ็ญบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมัทธบารมีสิบ รวบรวมพุทธการ ะ, ะธรรมจนได้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าบรรลุปรมาบรรลุสัมโพธิญาณบรรลุคุณธรรมแห่งความเป็นสัพพัญญูเจ้าบรรลุอรหันตคุณเป็นต้นพร้อมมีความสารความรู้ความสามารถในการประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปสามารถที่จะแสดงธรรมให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดื่มอมะตะธรรม พระองค์สามารถที่จะแสดงยมะกะปาติหารโดยวิจิตที่สัตว์เราอื่นทําไม่ได้แสดงอภิธรรมในเทวโลกลงจากเทวโลกพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณเช่นนั้นพระสรีรักคุณเหล่านั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นรูปที่นะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพระพุทธเจ้าก็คือขันห้า ขันห้าเหล่านั้นได้รับการก่อร่างสร้างมาสี่อสงไขยแสนกลับด้วยบุญกุศลที่บ่มบารมีแม้กระทั่งพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณพระสริระคุณพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดในที่สุดก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาโดยที่สุดแม้แต่สริระของพระพุทธเจ้าไม่ต้องห่วงเพราะพระพุทธเจ้าในอดีต พระพุทธเจ้าทีปังกรสรีระของพระองค์ก็แตกสลายมาแล้วขันห้าของพระพุทธเจ้าทีปังกรก็สลายแล้วขันห้าของพระพุทธเจ้าโกนธัญะมังคละเป็นต้นสังขารของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็สลายแล้วเนี่ยนะจนถึงพระพุทธเจ้าในกัปนี้พระพุทธเจ้ากกปุสันทะโกนาคมณะพระพุทธเจ้ากะสปะสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็สลายแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกัน สรีระของพระองค์ก็ต้องสลายเป็นแน่แท้ขันห้าของพระองค์ก็แตกทำลายเป็นแน่แท้อย่างที่พระองค์บอกว่ารูปสลายเวทนาก็สลายสัญญาสังขารและวิญญาณทุกอย่างก็ต้องสลายเพราะไม่เที่ยงเป็นที่สุดมีความแตกทำลายเป็นที่สุดรอบนั้นผู้ใดจะไปตั้งความปรารถนาขออย่าแตกทำลายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เพราะฉะนั้นผู้ใดร้องให้ค้ำครวนว่าขอสังขารเหล่านั้นอย่าแตกทำลายเป็นไปไม่ได้หรอกที่สังขารเหล่านั้นจะกลับคืนดังเดิมนนะเพราะสังขารทั้งหลายก็มีความแตกทำลายเป็นที่สุดรอบมันควรแล้วละ่ะที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเพราะว่าความเพลิดเพลิน อ, อะไรติดข้องในขันห้าเป็นเหตุสร้างขันห้า ความเพลิดเพลินในรูปเป็นเหตุสร้างรูปความเพลิดเพลินในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่สร้างเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันถ้าหากว่ารู้ความเป็นจริงของอรูปเวทนาสัญญาสังขารของวิญญาณปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทำที่สุดแห่งทุกได้สังขารทั้งหลายมันก็เียงมันก็ไม่เที่ยงตามธรรมดาของมัน จะเมื่ อ, อไหรก็ช่างเถอะรูปไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตจะประนีตวิจิตบรรจงขนาดไหนขันทั้งหลายเหล่านั้นก็แตกทำลายหมดแล้วขันห้าเหล่าใดเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะประณีตวิจิตบรรจงจะงดงามปานใดจะดีเยี่ยมขนาดไหนให้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าแม้แต่ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ไม่เที่ยงนี่ยนะมีความแตกทำลายเป็น ที่สุดรอบเพราะพระตถาคตของเราก็ต้องฉะนั้นเหมือนกันเพราะเป็นสังขารทั้งหลายเนี่ยเพราะเป็นสังขารเมื่อพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะพุทธะนี่เป็นชื่อของพระปัญญาคุณนะพระสรีระคุณที่รองรับพระสัพพัญญูคุณเนี่ยนะเพราะนั้นพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นเมื่อสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นเนี่ยนะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังต้องทําลายแต่ การเจาะแตกทําลายของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพวกเราทั้งหลายหรือปุตุชนทั้งหลายเพราะพระองค์นั้นถือว่าปลดปล่อยเปลื้องภาระเสร็จแล้วก็แบบว่าไม่ต้องแบกภาระใหม่ๆขึ้นมาให้มันหนักอีกต่อไปเนี่ยนะซึ่งต่างจากปุตุชนทั้งหลายก็เรียกว่าทิ้งกระสอบเข้าลูกนี้ก็ถือเอากระสอบลูกใหม่ต่อไปอีกแล้วก็แบกต่อไปไม่มีจบมีสิ้นเปลี่ยนจากภาระหนึ่งก็สู่ภาระหนึ่ง เปรียบเหมือนว่าคนงานที่แบกของหนักๆเนี่ยนะแบกของหนักๆเนี่ยวันละเที่ยวละห้ากิกิโลหรือ1 0อยกิโลขึ้นไปเอาแบกเอาไปวางลงแล้วก็แบกอันใหม่เนี่ยนะวางลงเสร็จแล้วก็แบกอันใหม่แต่ละภพแต่ละชาติก็ลักษณะอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้านี้ได้รับชัยชนะวางรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะพระองค์เนี่ยถึงฝั่งถึงธรมเป็นที่วางขันห้าพระองค์ไม่ยึดถือขันห้าอีกต่อไป ไอ้คำว่าไม่ยึดเนี่ยนะคือเหตุที่แบกขันห้าเพราะอะไรเพราะความยึดในขันห้ายึดว่าขันห้าเนี่ยวังว่าขันห้าจะเที่ยงแต่เคยประสบความสําเร็จไหมขันห้าเที่ยงอย่างที่เราต้องการไหมก็ไม่นะพระองค์ก็วางใจได้จริงๆว่าขันห้าเมื่อไหร่ก็ไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละพระองค์จึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนังพระองค์เห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นไม่เที่ยงนั่นแหละ พระองค์จึงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้าพระองค์ก็แนะนําให้ผู้อื่นเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้าพระองค์จึงสอนโพธิปัจขยธรรมสอนอ่ะโพธิปัจขยธรรมญาณทัศนวิสุทธิวิปัสสนาทั้งหลายสติปฐานทั้งหลายก็คือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้าเพราะขันห้าถึงจะดี งามวิจิตปานใดก็ตามคันเหล่านั้นก็ต้องแตกทำลายเป็นที่สุดโดยแต่แม้กระทั่งสรีระของพระองค์ที่บุญกุศลสร้างสมอบรมมาสีอสงไขยแสนกับเนี่ยนะเป็นพระสรีระรูปที่สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะสาประการอนุพยัญชนะ80อย่างเนี่ยนะประดับตกแต่งด้วยรัศมีอีกหนึ่งวานะมีจิต เป็นจิตสัพพัญยุตยานเนี่ยนะจิตที่ประกอบด้วยสัพพัญยุตยานเป็นบุญกุศลชั้นเยี่ยมเป็นของที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นสังขารเหล่านั้นก็แตกทาลายเป็นธรรมดาเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะสำหรับผ้าหันทั้งหลายเมื่อขายน้ำลายทิ้งเปื้อนดินไปแล้วเนี่ยถามว่าท่านจะเก็บเอามาอมอีกไหม นะบอกว่าไม่ได้หรอกฉันได้พระตถ า, าคตก็เหมือนกันพระองค์ถอดอะไรในขันห้าเสร็จแล้วจะให้ยึดขึ้นมาอีกบอกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เหมือนการที่จะให้พระองค์เนี่ยบอกว่าโอ้ขอให้อายุเขายืนต่อไปอีกบอกว่าไม่แล้วเนี่ยนะนะเหมือนอย่างว่าคนที่แบบเจ็บปวดหนักๆแล้วก็วางไอ้ความเจ็บปวดก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีแต่ความทุกข์ทรมานเนี่ยนะเมื่อวางเสร็จแล้วถามว่าจะเก็บเอามามาใส่อีกไหม เพราะคำขอร้องของใครเนี่ยบอกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ทังการที่พระองค์จะยึดะจะยึดหรือว่าจะวางใจว่าขอชีวิตตินซีจงดํารงต่อไปอีกบอกไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อย่างที่พระองค์บอกว่าสิ่งใดที่ตถาคตสละสละแล้วคายแล้วถ้าคายนี่ใช่กับอะไรคืออาเจียนของแล้วตกลงบนดินไหม เปื่อนฝนไปหมดบอกเก็บคืนเอามาอมต่อไปไหมเก็บเอามากลืนกินไหมไม่ใช่เด็กๆไงเคยเป็นเด็กทํำขนมตกแล้วมาปัดๆๆแลกกินต่อน่ะนะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะลูกอมบางทีก็เหมือนกันนะอมลูกอมอ ม, อม ไ, ได้นหน่อยเดียวแล้วพูดแล้วมันตกนะอย่างที่เอาไปล้างนมาแล้วก็อมต่อแต่ว่าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลักษณะนั้นอุปาทานขันเหล่าใดที่พระองค์คายไปแล้วเหมือนกับคายก้อนเคละก้อนน้ําลายเป็นต้นเนี่ย เพื่อจะให้พระองค์กลืนกินเอาไม่อีกไม่ใช่ฐานะที่เป็นได้อันนเ อ, อะไรนะเหมือนว่าทําน้ำหวานหกตกลงราดพื้นเนี่ยนะที่ผสมกับดินคโคลเนี่ยจะเลียคืนไหมบอกไม่เอารอยังไงก็ไม่เอาอีกแล้วเพราะสิ่งใดที่พ้นแล้วด้วยตะทางข้าประหารวิขำพน ะ, ป ะ, ป ะ, ปะ์ประหารสมุทเฉทประหารละแล้วด้วยปฏิปสัตย์ที่ประหารเป็นต้นวางแล้ว จะเอาคืนอีกไม่ใช่ฐานะพันอายุสังขารชีวิตยินทรีย์ที่ปลงแล้วตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ยึดเอาอีกเราก็จะไม่ยึดฉันนั้นพั น, นวาจาใดที่ตถาคตกล่าวแล้วเป็นวาจาที่พูดแล้วโดยส่วนเดียวไม่มีกลับใจอันนี้เป็นสัจจะวาจาเป็นพุทธวาจาที่ไม่มีการกลับใจเพราะฉะนั้นไม่ช้าตถาคตจักปริณิพานธ์แปลว่ารวดเร็วมาก ในระยะเวลาสมเดือนนี้ถือว่ารวดเร็วต่อจากนี้ไปสมเดือนนับถอยหลังไปเถอะ90้าบวันตถาคตจักปรินิพันธ์